ฉันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นพิษเพราแร่ธาตุหรือพวกใบไม้แต่มันอาจเหมือนกับแอ่งน้ําแห่งแรกที่เราผิดหวังมาแล้วก็ได้หล่อนพูดอย่างหวาดหวาดภาพของเจ้าผีตายซากที่ลงไปนอนแช่อยู่ในแหล่งน้ําซึ่งพบครั้งแรกอย่างติดตาหลอกหลอนความรู้สึกอยู่มันเป็นความรู้สึกสังหรณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวหล่อนคนเดียวเท่านั้นชายยันกําลังซุดตัวคุกเขาก่ากวากน้ําจะใส่ปากก็หยุดชะงักเหยื่อขึ้นทําไมหรือเธอกลัวอะไรดาริยนยิ้มฝื่อง ใครจะรู้ได้ว่าในก้นแอ่งจะไม่มีไอ้ตัวอะไรลงไปนอนแช่อิ่มอยู่อีกเหมือนอย่างที่เราเจอกันตอนนั้นน้ำมันขุ่นมัวมองไม่เห็นก้นแอ่งซะด้วยเลวในห น, น้อยไอผีนั่นมันจะมานอนอยู่ในแอ่งน้านี้อีกให้มันรู้ไปแล้วต่อให้มันมานอนฉันก็จะกินละขืนหวังน้ำบ่อหน้าต่อไปก็มีหวังตายก่อนลองดูก็ได้ครับว่ามันจะมีอะไรอย่างที่คุณหญิงระแวงหรือเปล่า พรานใหญ่ว่าพร้อมกันเขาก็หย่อนตัวลงไปในแอ่งน้ำมวกนั้นมันลึกขนาดขาอ่อนของเขาค่อยๆเดินวนวนเวียนเอามือควานงมไป ร, บรอบๆแล้วสปริงตัวขึ้นมานั่งบนขอบหินอีกด้านหนึ่งถอดหมวกออกวักน้ำใส่สีสะ มองหลอนยิ้มยิมไม่กล่าวว่าอะไรทั้งสิ้นดารินจ้องเขม็งต่อมาก็เห็นเขาจุ่มหน้าลงไปดูดน้ำขึ้นมาดื่มกินหน้าตาเฉยเมื่อนั้นเองทุกคนที่รั้งรออยู่ก็หมดอาการลังเลปลดเครื่องหลังวางปืนลงแยกย้ยายกันพังภาพอยู่รอบๆขอบแอ่งเพื่อดับกระหายยกเว้นดารินคนเดียวซึ่งยื น, ยนจ้องหน้าพานใหญ่อยู่เช่นนั้นถามอ่อยๆมาว่าไม่มีอะไรลงไปนอนอยู่แน่นะนายพรานา ถ้ามีก็ดีสิครับคุณหญิงเรากำลังอัตคัดขาดแคลนอาหารอยู่ด้วยจะได้ลากขึ้นมาต้มซุปกินซะสงสัยมันจะรู้แกวเลยไม่กล้ามานอนแช่อยู่อกีกแล้พิมตอบหน้าตายอีกฝ่ายหนึ่งยิ้มไม่สนิทนักค่อยๆเบาใจแช่มชื่นขึ้น สังเกตจากแสงตะวันที่เจือจางรีโรยลงทุกทีทุกคนย่อมตระหนักได้ดีว่าไม่มีทางที่จะขยับขยายเดินทางต่อไปได้เสแล้วนอกจากหยุดพักกันที่บริเวณแอ่งน้ําม่วกแห่งนี้เพื่อรอวันใหม่ประกอบกับความอ่อนเพลียและเหี่ยหวห้ยจากการกรากกล้มมาทั้งวันขณะนี้ทั้งหมดนอนพักยาวเยียดกันอยู่รอบๆขอบแอ่งมีความรู้สึกอยากจะหลับไปในทันทียกเว้นเชิดขาคนเดียวภายหลังจากพักเดินน้ําอยู่ครู่หนึ่งก็เดินอ้อมตรงมาอย่างจอมผานผู้นั่งเหยียดเท้า เอาศีรษะพิงแงหินอยู่สุดตัวลงใกล้ๆควักบุหรี่ออกมาจุดสูบแล้วส่งให้ตัวหนึ่งเวลาเท่าไหร่ครับเอกยี่สิบสองนาทีจะห้าโมงเย็นวันนี้เราเดินหาน้ำเส้จทั้งวันและเห็นจะต้องสิ้นสุดเอาชั่วคราวที่นี่เองปะเดี๋ยวก็มืดแล้วเอาที่นี่ก็เอาพวกเราหมดแรงกันเต็มทีแล้วให้พวกลูกหาบนอนพักพอหายเหนื่อยสักครู่แล้วสั่งให้จัดแจงวางแคมป์ขึ้นที่นี่แหละสังเกตอะไรหรือเปล่าครับอะไรหรือ น้ำที่แง่ทรายใส่กระบอกนําไปตั้งไว้ให้พบกับแอ่งน้ําในตอนนี้มันเป็นน้ําชนิดเดียวกันคือน้ํำม่วงใช้ถาเลืมตาโผงจริงสิผมนึกออกเดี๋ยวนี้เองนี่แปลว่าแง่ทรายมาเอาน้ําจากที่นี่นั่นเองยกเว้นแต่ว่าจะมีแหล่งน้ําม่กอยู่ในละแวกไม่เกินรัศมีสองกิโลนี่อีกสมมุติว่าแง่ทรายมาตักน้ําจากที่นี่ไปหัวหน้าคณะกล่าวตื่นตื่นมองไปรอบด้านด้วยแววตาอันเต็มไปด้วยความพิศวงมันจะผ่านดวงต้นไม้กินคนเข้ามาได้อย่างไร อาจจะมีทางมาถึงที่นี่ได้โดยไม่ต้องผ่านลงต้นไม้กินคนเหมือนอย่างที่เราผ่านกันมาแล้วก็ได้ครับประเดี๋ยวผมจะลองเดินตรวจ ด, ดูกล่าวจบพานใหญ่ก็ยังตัวลุกขึ้นยืน ขณะนั้นเองสั่งปลาผู้ทําหน้าที่ตักน้ําใส่กระบอกและนําไปราดรถตัวนายสาวผู้นอนคว่ำหน้าเหยียดยาวอยู่บนพื้นหินห่างออกไปทางหนึ่งจนเปียกชุ่มและเดินขนน้าอยู่หลายเที่ยวก็มาหยุดชะงักยืนตาเหลือกตัวแข็งเหมือนกลายเป็นหินไปชั่วขณะเมื่อ ก, ก้มลงไปมองที่พื้นตรงตําแหน่งที่มันกําลังจะก้มตัวลงไปตักน้ํา น, น, นายนา ย, นายเสียงเจ้าตองสู่หลุดปลาออกมาสั่นกระเซาปล่อยกระบอกไปไม้ล่วงโผล่ลงกับพื้นดินรับพินกับเชิดาหันควับไปในทันที ามามาดอูอะไรนี่เร็วผานใหญ่กระโจนพึ่งทีเดียวข้ามขอบแอ่งเข้าไปถึงตัวสางตาใช้ถาก็เพ่นตามติดเข้ามาดาวรินกำลังนั่งเหยียดเท้าหลังพิงก้อนหินหลับตาอยู่ข้างๆช้ยันสะดุ้งลืมตาตื่นขึ้นในขณะเดียวกันมาเรียผู้นอนเกลือกน้ำอยู่ก็พองกศีรษะเลียวกลับมาเพราะแววในสิ่งผิดปกตินั้นชั่วพิตาต่อมาทาั้งคณะก็กลักันเข้ามาอย่างตาแหน่งนั้นพร้อมกันหมดบริเวณดินปนกรวด ใต้ชเชือกหินอันเป็นบริเวณขอบแอ่งน้ำามกด้านในสุดรอยเต็นหนึ่งเหยียบประทับไว้เพราะดินบริเวณ น, นั้นเป็นดินอ่อนนุ่มกว่าทุกตอนน้ำหนักตัวอันมากมายทำให้มันปรากฏลึกชัดเจนเห็นเป็นเบา อ, อุ้มครบหมดทุกนิ้วขนาดชามกะละมังย่อมย่อม มันเป็นรอยของไอดำ ม, มหาการตัวนั้นหรือมิฉะนั้นก็อาจจะเป็นของตัวอื่นที่มีขนาดมาึือมาเท่ากันผ่านใหญ่กว่าตาไล่หารอยตีนนั้นไปในระแวก ร, บรอบๆด้านอย่างรวดเร็วพื้นตรงอื่นเป็นหินแข็งหมดมีเฉพาะที่อ่อนนุ่มใต้ชั้วหินก้อนนี้เท่านั้นและก็ปรากฏให้เห็นเฉพาะเท้าคู่หน้าสองข้างในลักษณะหมอบกินน้ำใหม่เหือเกินเขา พ, พึมพาจ้องรอยนั้นเขม็งในขณะที่ทุกคนเงียบกริบรู้สึกว่าจะไม่กี่นาทีก่อนหน้าที่พวกเราจะมาถึงนี่เอง รอยลงกินน้ามาเรียพูดเหมือนกระซิบกับตัวเองเหลียวไปรอบๆดูให้ดีซิไอตัวเดียวกับตัวนั้นหรือเปล่าเชิดถาว่ามันละนา้าถ้าเป็นตัวอื่นก็แปลว่าขนาดมันจะต้องเท่ากันบุนคำร้องออกมาเบาๆถ้าเป็นตัวเดียวกันมันจะมาจากทางไหนนี่พอตะคุบเช่ฐถาผิดพวกเราไล่ ย, ยิงเพ่นอ้าวไปมันก็ย่องมาดักหน้ากินน้าในแอง่งที่เราก็บ่ายหน้ามานี่นะหรือ อดีตนายทหารปืนใหญ่ถามโพ้งขึ้นลอยๆอพื้นแข็งและแห้งสนิทจนไม่ทิ้งรอยอื่นๆไว้เลยนอกจากเฉพาะตีนคู่หน้าที่มาหมอบกินน้ําอยู่นี่เท่านั้นแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือมันล่วงหน้ามาก่อนเราและไม่ได้ผ่านตรงเถ่าวเป็นคนจะต้องมีทางอื่นอย่างที่คิดกันไว้แน่นอนอาจจะเป็นทางเดียวที่แงซายมาตักเอาน้ําจากที่นี่ไปก็ได้รเพียมตอบระหว่างนี้บรรดา ผ่านพื้นมวนของเขากระจายกันตรวจรอยรอบด้านคงมีแต่สางปลาคนเดียวนั้นที่ยังยืนงง ง, งันอยู่กับที่เห็นกันได้อย่างไรนี่ทําไมเมื่อกี้ตอนที่เรามาถึงใหม่ๆถึงไม่เห็นดาวเรนถามขึ้นบ้างเราไม่ทันสังเกตให้ทั่วทุกคนกระหายน้ําและเหนื่อยจัดอีกอย่างหนึง่งรอยตีนมันก็ไปปรากฏอยู่ที่เวิร์กเฮนนี่พวกเราไม่ได้เข้ามาตรงนี้ตั้งแต่แรกจึงไม่เห็น หน้าแปลกที่มันมากินน้ําแหงนี้ก่อนหน้าเรามิดเดียวมาเรียพูดพร้อมกับพยายามสํารวจดูพื้นที่หินใกล้เคียงกับบริเวณที่ปรากกรอยเท้าหน้าของมันมาหมอบกินน้ำํำพางกล่าวต่อมาว่ารอยที่มันเหยียบไว้เป็นที่เปียกชื้นอย่างน้อยที่สุดตอนกินน้ําเสร็จแล้วหัวลับรอยเปียกจากเป็งของมันน่าจะประทับไว้ที่เห็นนี้บ้างและควรปรากฏอยู่พอให้สังเกตได้ถ้าระยะเวลามันไม่ห่างไปนักอย่างพานใหญ่ว่าแต่นี่ไม่มีเลย คำพูดของแหม่สาวผู้ชำนาญในการอ่านรอยไม่แพ้ผ่านอาชีพทำให้รัพินจุกใจคิดอะไรขึ้นมาได้บางอย่างเขาจ้องดูรอยอันมีน้ำหนักกดนึกลงไปในดินผิดปกติครั้งแล้วเดินพระจากพักพวกที่จับกลุ่มกันอ้อมไปยังขอบแห่งฝั่งตรงข้ามตรวจรายละเอียดไปตามพื้นและทันใดนั้นก็ดีดนิ้วเป็นสัญญาณเรียกทุกคนทั้งหมดกระโดดข้ามขอบแอ่งตรงไปยังเขาทันที มีเศษกรวดดินบางๆกระจายอยู่กับพื้นหินเรียบพร้อมกับรอยเชื้อเป็นหย่อมๆแล้วก็ค่อยๆจางหายไปเมื่อห่างปากแอ่งออกไปร่องรอยเหล่านั้นเบาบางจนแทบสังเกตไม่เห็นหาไม่ได้หลักฐานจากฝั่งตรงข้ามเป็นเครื่องยืนยันอยู่ก่อนมันกระโจนข้ามมาฝั่งนี้ ชายันร้องทุกคนมองตามรอยกวดดินอันติดจากอุ้งเท้าหน้าและหล่นไว้จนหมดระยะสั้นๆแล้วจ้องสำรวจไปแนวเนินเบื้องหน้าซึ่งสลับซับซ้อนไปด้วยพุ้งพงและก้อนหินใหญ่น้อยอันแลดู ก, กว้างขวางปัสจากขอบเขตเพราะมันเป็นเตนลูกเขาใหญ่ซึ่งมีทิวสูงเลี้ยวทะยานเยี่ยมเมฆ มาจากทางด้านโน้นหมอบกินน้ำอยู่ริมแอ่งนั่นเสร็จแล้วก็กระโจนข้ามแอ่งมาฝากนี้เดินหายไปอีกด้านหัวหน้าคณะอ่านรูปการจักหลักฐานที่ค้นพบฉันนึกแล้วมันไม่มีรอยหวนกลมาทางเก่าและรอยคู่หน้ากดลึกมากลักษณะกระโจนมากกว่าจะเพียงแค่หมอบตัวกินน้ำอยู่เฉยๆมาเรียว่า พลานใหญ่ขยับตัวจะเดินตามดูรอยต่อไปแต่เชียดฐานเนี่ยวแขนไว้อย่าเพิ่งเลยไม่มีประโยชน์หรอกจากที่สำหรับพักนอนคืนนี้แล้วหาอะไรบรรจุกระเพาะกันไปตามมีตามเกิดเถอะถ้ามีเวลาเหลือก่อนมืดค่อยออกสำรวจแล้วพินหันไปบงการคนของเขาแล้วต่อจากนั้นเพียงครู่เดียวที่แรมคืนชั่วคราวก็ถูกกาหนดขึ้นในชายภูมิอันน่าจะให้ความปลอดภัยมากที่สุด ในระหว่างมูหินที่มีด้านหนึ่งติดอยู่กับผาตัดสูงชันห่างจากแอ่งน้ําออกมาประมาณ50บหลาและสามารถมองเห็นแอ่งน้ํามุกได้อย่างถนัดทําไมเราไม่เลือกพักที่ริมแอ่งน้ํานั่นซะเลยสะดวกสบายกว่าที่นี่มากมายย้ายมาตั้งหลักตรงนี้ทําไมดาวินเ อ, อ่ยถามเปลือยเป ล, เปลขึ้นอย่างสงสัยเพราะแต่ไหนแต่ไรมาหล่อนสังเกตเห็นจอมพานตั้งที่พักอยู่ชิดน้ําเสมอยกเว้นพวกลําห้วยอันเป็นแนวน้ําไหลซึ่งเข้ามักจะหาที่นอนให้อยู่ในระดับสูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ำป่า อันมักจะพูดพลาดไหลบ่ามาโดยไม่มีเขาให้รู้มาก่อนแต่แอ่งน้ำม่วงอันเล็กนิดเดียวไม่มีเหตุผลที่จะให้คิดถึงเรื่องน้ำจะขึ้นมาท่วมได้อย่างกระทันหันใช่ถาดกับชา ย, ยันเองก็ชะงนงยูเหมือนกัน แต่ผ่านความสนใจไปเสียโดยไม่ปิดปากถามผ่านใหญ่ไม่ตอบคาถามลอยๆนั้นยุ่มอยู่กับการขึงสายผ้าพลาสติกกันน้ำทังอย่างแข็งกับเวลาซึ่งเป็นลักษณะอันคล้าวคล่องฉับไวของเขาประกอบกับการไม่พูดอะไรโดยไม่จำเป็นแต่ไหนแต่ไรมาเรียนซุดตัวลงนั่งใกล้ๆเพื่อนสาวคงมีแต่สองหญิงเท่านั้นที่ไม่ได้ทาอะไรเลยนอกจากนั่งดูเฉยๆในระหว่างทุกคนช่วยกันตัวเป็นเกลียวกลไม้กระมืออย่างเคยชิน ฉันคิดว่าภัยวันรอบคอบแล้วที่ย้ายมานอนกันตรงนี้ทำไมนั่นอาจจะเป็นแหล่งน้ำแห่งเดียวในดงมหาการนี่ที่พอจะอาศัยดื่มกินได้เราไม่รู้ว่าในเวลาตอนกลางคืนอะไรจะลงมากินบ้างดงนี้เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายกาศอันตรายสารพัดชนิดที่เราคิดไปไม่ถึงและทายกันไม่ถูกถ้าเราไปตั้งแคมป์ดักแหล่งน้ำเข้ามันไม่เหมาะแน่เพราะมันอาจจะจู่โจมเข้าเล่นงานเราอย่างตั้งตัวไม่ทัน ซู้ย้ายฉากหลบมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ถ้ามันมาเมื่อไหร่เราก็จะเห็นและรับมือกับมันทันฉันอ่านว่าเขาคงกลัวเป็นอย่างมากจึงได้เลือกเอาสถานการณ์ปลอดภัยที่สุดไว้ก่อนซึ่งมันก็ถูกหลักแล้วป่าดงที่เราไม่เคยชินไม่เคยรู้จักมาก่อนจะชลาใจไม่ได้ ดาวเรียนมองดูอีกฝ่ายหนึ่งด้วยความรู้สึกที่นึกชมเงียบๆอยู่ในใจมาเรียมีความรอบรู้และชํานาญในเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในป่าเหนือหล่อนมากมายนะักแต่ก็ไม่ปลิกปากคําใดเพียงแต่พยักหน้าเพราะหล่อนเองก็เพิ่งจะมองเห็นตามเหตุผลที่ได้รับคําอธิบายนั้นจัดที่นอนเสร็จ ใบเฟินถูกก่อขึ้นเงาแห่งความมืดก็เริ่มคลืบคลานเข้ามาอาหารไม่มีอะไรมากไปกว่าเนื้อและมั่งย่างรวมควันซึ่งได้มาจากวันก่อนและเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยและเห็ดโคนดอกใหญ่ที่มีเนื้อและรสชาติเหมือนไก่กับอาหารกระป๋องซึ่งร่อยหลอลดปริมาณไปตามลําดับแบ่งสรรปันส่วนการกินไปตามมีตามเกิดเพื่อประทางชีวิตการร่วมเป็นร่วมตายกันอย่างแน่นแฟ้นผันดึกทุกชีวิตให้กลายมาเป็นชีวิตเดียวกันแค่แบ่งร่างกายกันออกไปเท่านั้น กลุ่มพลานัยอันต่ำสักกลุ่มราชสกุลอันสูงส่งแมมสาวอันเป็นเลือดยุโรปคนเหล่านี้นั่งรายล้อมกองไฟไหลต่อไหลเบียดกระชิดกันและแม้ว่ายามนอนเขาก็จะต้องนอนแนบข้างกันและกันหรือมิฉะนั้นศีรษะก็จะประสานชนกันคนใดคนหนึ่งเจ็บปวดที่เหลือทุกคนจะมีความรู้สึกเจ็บปวดอันนั้นด้วยยิ่งกว่าพี่น้องยิ่งกว่ามิตรที่สาบานกันไว้ใน่ามกลางแสงสีแห่งอรารยธรรม พอกินอาหารเสร็จมาเรก็งัดเอาสมุดบันทึกของคนตายเมื่อ40ปีขึ้นมาพยายามแกะข้อความอีกครั้งท่ามกลางการเฝ้ารอฟังเหตุผลของทุกคนที่มุงล้อมอยู่นักนิรุติศาสสาวเลือดผสมพื้นพำอ่านข้อความนั้นไปในภาษาที่ทุกคนฟังไม่เข้าใจอย่างติดตะกุกตะกักหัวคิ้วขมวดยน่น สูบุหรี่อัดควันหนักๆอยู่ตลอดเวลาแล้วหล่อนก็บอกความยุ่งยากลําบากใจให้ทุกคนทราบว่าข้อความเหล่านั้นเลอะเลือนจนมองไม่เห็นซะเป็นส่วนใหญ่หลายตลายหน้าหลุดร่วงออกมาจากเล่มเหมือนใบไม้เหี่ยวเน่าที่หลุดจากคั่วพยายามเข้าเมแกะไปทีละตัวถึงมันจะขาดหายไปบ้างบางทีเราก็พอจะช่วยกันเดาประติดประต่อข้อความได้หากกลับได้ต้นประโยคและท้ายประโยคชายยันเร่งเร้าให้กําลังใจมา หล่นยิ้มออกมานิดนึงอย่างฝืนๆชำระลืองแวบสบสายตาชัยยันแล้วก้มล ง, งอ่านต่อไปท่ามกลางความนิ่งเงียบรอคอยของทุกคนที่แวดล้อมจ้องมาเป็นตาเดียวคันแล้วต่างก็เห็นมาเรียมีอาการแปลกใจน้อยๆบอกมาทัง้งที่หน้าตาจับอยู่ที่หน้ากระดาษคล้ำๆนั้นว่ารู้สึกว่าเราพอจะรู้ชื่อเจ้าของบันทึกนี้แล้วเฉพาะตรงนี้เขาเขียนไว้ว่าข้าพเจ้าแจนเคลเมอร์กำลังมองเห็นวาระสุดท้ายของตัวเองอยู่ในอนาคตอันใกล้นี้แล้ว แล้วหล่อนก็เหนยหน้าขึ้นแววตาขบคิดงงๆชื่อของเขาไม่น่าจะเป็นชาวเดนเลยเจนเครเมอร์ฟังดูคล้ายๆพวกดัชงั้นแหละแต่เขาเขียนไว้ด้วยภาษาดานิชไม่ใช่เหรอใช่เขาจะเป็นดัชเป็นเดนหรือเชื้อชาติอะไรก็ช่างเถอะนั่นไม่สำคัญหรอกเรารู้กันเดี๋ยวนี้แล้วว่าเจ้าของบันทึกชื่อเจนเครเมอร์สิ่งที่เราต้องการอยู่อย่างยิ่งก็คือเขาบันทึกไว้ว่าอย่างไรอ่านต่อไปเรวเม มาเรเบ่ปากเป็นไปด้วยความอัดอั้นตันใจข้อความพิจต่กกับตอนนี้มันจางหายไปหมดแล้วค่ะพี่ใหญ่มาพบลางๆอีกที 5-6 บรรทัดข้างล่างนี่รู้สึกว่าเขาจะรำพันถึงความหิวโหอยอดอยากร่างาแค้นต้องการน้ำต้องการอาหารเดี๋ยว 2-3 หน้าข้างหน้าดูเหมือนจะได้ความชัดหน่อยกล่าวจบหล่อนก็บรรจงพิกกลับไปอย่างซีดตอนต้น ห่างจากตรงนั้นไปประมาณ7 8ถึงหน้าแล้วก็นั่งอ่านคนเดียวไปร่วม1ินาทีท่ามกลางรอการรอคอยฟังอย่างกระสับกระส่ายของทุกคนพอจะสรุปจับเขาได้แล้วเสียงแหม่มสาวบอกมาน้ำเสียงตื่นตื่นคณะของเขาออกเดินทางมากัน6คนกรูเยอร์กับอเล็กซิสที่เอ่ยถึงคงจะเป็นเพื่อนผิวขาวของเขาทินอองกับเซงล่าเป็นชื่อพมา่าส่วนตูเล่น่าจะเป็นชื่อของพวกขจิง หน้า ข, ของเชิดาและศตารพินในทันทีแล้วต่างก็เปลี่ยนสายตาไปจับอยู่ที่ขยินเป็นตาเดียวถ้างนั้นก็ใช่แล้วเขาจะต้องเป็นนักสำรวจขนาดเดียวกับที่เคยผ่านลมช้างและขยินจำได้เมื่อเด็กๆตอนที่มันบอกนั่นแหละแล้วยังไงต่อไปเชิดาพึงพำออกมาประโยกหลังหันไปซักถามอย่างเร็ว มาเรียแปดโดยสรุปเป็นหน้าหน้าให้ทุกคนฟังว่าทั้งคณะหกคนเดินผ่านหล่มช้างบ่ายหน้ามาทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเขาหัวแรงป่าใหญ่สงัดเงียบเต็มไปด้วยความรกทึบและกันดารไม่พบสัตว์ชนิดใดเลยตลอดระยะการเดิน3ามวันแรกสบียงและน้ำที่ติดตัวมาเริ่มหมดสิ้นไปบ่ายของวันที่สี่กรูเยอร์เสียชีวิตเพราะไตเขาพลาดหล่นลงไปในเหวไม่สามารถจะค้นศพได้ หนึ่งละที่ตายซะก่อนระหว่างทางอ่านไปเมไม่ต้องแปลออกมาชนิดคำต่อคำหรอกอ่านให้เข้าใจแล้วสรุปเล่าให้เราฟังชา ย, ยันเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นอันเป็นอาการเดียวกับทุกคนที่จับตาขเขมงมาหนทางทวีความกันดานขึ้นทุกขณะ ทุกคนอดอาหารมาเป็นเวลาสองวันแล้วคงเหลือแต่น้ำกระติกเดียวที่แบ่งกันกลุ้มคอพักนอนกันที่ปากถ้ำแห่งหนึ่งเช้ารุ่งขึ้นทินอองนอนตัวแข็งไปซะแล้วมีบาดแผลจากงูพิษกัดที่หัวเขา่าอีกหนึ่งละรวมเป็นสองคราวนี้ก็เหลืออยู่สี่เรากมกันต่อไปภายหลังเมื่อฝังศพทินอองอย่างลูกลก่น้าหมดในวันนี้เองตกสายระหว่างเดินตามด่านช้างเข้าสู่ หุบลึกแห่งหนึ่งพบควายป่าตัวหนึ่งนอนตายอยู่อย่างประหลาดซากยังสดอยู่แสดงว่าเพิ่งตายเมื่อคืนที่ผ่านมามีบาดแผลเป็นรอยเขี้ยวขนาดใหญ่ฝังลึกบนก้านคอแต่ไม่มีรอยฉีกเนื้อกินพวกเราได้อาศัยเนื้อควายตัวนั้นประทางชีพและนำติดตัวไปเป็นสเสบียงสำรองมาเรียหยุดเล่าข้อความตามบันทึกนั้นลงอย่างกระทันหันเหงื่หน้าขึ้นโดยเร็วอย่างสะดุดใจบางอย่าง ทุกคนที่ฟังอยู่ก็มาพบกับจุดสรุปใจเช่นเดียวกันในทันทีที่ได้ยินคำบอกเล่าจากคำพูดของแม่สาวสงสัยซะแล้วสิ่งที่เคลมเมอร์กับคณะได้เผชิญมามันน่าจะเป็นลักษณะการเดียวกับที่พวกเราพบกันมาแล้วนั่นเองดาวดินพูดโดยเร็วเหมือนมองจะขอความเห็นไปนอย่างทุกคนเกี่ยวกับอาการตายอันลึกลับของควายป่าตัวนั้นกระมังชัยยันว่าใช่ลักษณะการตายของควายป่าตัวนั้น เป็นอาการเดียวกับที่เราได้พบซากละมั่งเมื่อวานซึ่งมันหมายถึงว่าไอ้ข้างข่าวผีตัวนั้นเป็นต้นเหตุทุกคนนิ่งกันไปชั่วอึดใจตลอดเวลาจอมพานไม่ได้เอ่ยคำใดทั้งสิ้นนอกจากนั่งฟังด้วยอาการสงบคลึมปล่อยหน้าที่การค้นหาความจริงจากบันทึกคนตายเมื่อ40ปีก่อนให้เป็นของคณะนายจ้าง เชิดขาเตือนให้มาเรียนติดตามข้อความจากบันทึกต่อไปคราวนี้นักฤรดุติศาสตร์าสาวรือดผสมนิ่งอ่านอยู่ในใจคนเดียวเป็นเวลานานทุกคนเห็นแววตาเขียวเข้มคู่นนั้นเบิกโพลงและรีบพลิกอ่านดูอย่างลุกลนมือสั่นเทาครั้นแล้วหล่อนก็อุทานออกมาคำหนึ่งอย่างตรนุตื่นเต้นเหลือที่จะกล่าวทาไมมีอะไรหรือเม่ชัยยันกับดารินร้องถามขึ้นพร้อมกันโอ้ก็ เหตุการณ์ที่เคลเมอร์กับคณะผจญมาเมื่อ40ปีก่อนเป็นเหตุการณ์ชนิดเดียวที่ได้เกิดขึ้นกับเรามาแล้วและกำลังเผชิญอยู่ขณะนี้ไม่ผิดสักอย่างเดียวมาเรียพูดละล่ำละลักเสียงสัน่นเล่าไปใช้ายละเอียดซิชา ย, ยันกระวนกระวายแทบระเปิดเขย่ามาเรียโดยแรงเขาเกล่าวถึงตะขาบยากที่เลื้อยมาเหมือนเสียงพายุพวกเขาหิีงหลบ้าไปอยู่ในโพรงถ้ำหนึ่งจนตัวที่สุดและเห็นมันอย่างถนัดตาทรงซานมุดลอดถ้ำมาทะลุอีกด้านหนึ่งของเขาลูกใหญ่ คืนนั้นพวกเขาก็เห็นลิงผีซึ่งร้องด้วยเสียงประหลาดมาลายร้อมอยู่รอบแคมป์ที่พักจะใช้ปืนยิงสักเท่าไหร่มันก็ไม่หนีไปได้ศัยกองไฟที่ก่อไว้รอบๆป้องกันไม่ให้พวกมันล่วงล้ำเข้ามาได้เขาเขียนเล่าไว้ว่ายิงมันเท่าไหร่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะลงตายลงคงล้อมแน่นป่ารอบด้านอยู่เช่นนั้นไอ้พวกกองกอยนั่นเองใช้าหลุดปากอุทานออกมา เช้าถัดมาฝนตกลงมาหาใหญ่พวกเขาได้อาศัยน้ําจากฝนอเล็กซิส ซ, ซึ่งป่วยอยู่ก่อนแล้วเริ่มมีอาการหนักขึ้นอีกสามคนช่วยกันประคองไปเพื่อมุ่งหวังที่จะหาแหล่งพํานักที่ปลอดภัยขึ้นเดินกันไปได้เพียงอีกสองไมล์ยึดได้าชายผาแห่งหนึ่งไม่อาจาเดินไปได้ไกลกว่านั้นเพราะอาการของคนป่วยตกดึกทุกคนตกใจตื่นขึ้นด้วยเสียงปีกขนาดใหญ่ที่กระพืออยู่บนอากาศเบื้องบนมันเป็นข้งขางเขวยักษ์มาเรียหยุดชนัก กือนอะไรชิ้นหนึ่งลงลำคอใช้ถาหานไปนทางจอมพายผู้นั่งอัดควันบุหรี่อยู่เงียบๆพูดแผ่วเบาเหมือนกระซิบเหตุการณ์เดียวกับที่เราเผชิญทุกคนอย่างรับพินต่อไปเมมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้น มันโฉบถลาลงโจมตีพวกเขาตกใจขีดสุดยิงปะทะออกไปแล้วเห่นหนีกันชนิดตัวใครตัวมันมีอเล็กซคนเดียวเท่านั้นทึ่ไม่สามารถจะเคลื่อนหนีหรือช่วยตัวเองได้เพราะนอนแสาอยู่กับที่ขณะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรต่อไปเครเมอร์ ramer, เจ้าของบันทึกบอกว่าไม่อาจรู้ได้เพราะเขาวิ่งอย่างไม่คิดชีวิต ไปหลบอยู่ในถ้าเล็กๆแห่งหนึ่งพักใหญ่เมื่อได้ยินเสียงมันบินไปแล้วก็กลูตะโกนเรื่องหาพักพวกแล้วกลับมาที่พักสิ่งที่เห็นก็คืออเล็กซิสสหายของเขานอนตัวซีเซียวตาเหลือกโพรงตายเสียแล้วไม่มีเลือดเหลืออยู่ในร่างกายแม้แต่หยดเดียวที่ด้านลำคอด้านหน้าของคนเคาะร้ายมีรอยเขี้ยวขย้าและดูดเลือดไปจนหมดสิน้น ทุกคนรู้สึกว่าตัวเย็นไปหมดทุกระบบประสาทจากบันทึกสยองของนักสำรวจชาวเดนมาร์กในอดีตสิ่งที่แจนครเมอร์กับคณ ะ, ะเผชิญมาครั้งนั้นแม้ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ใกล้เคียงกับที่ประสบมาด้วยตัวเองแล้วก็ตามแต่ต้องจัดว่าพวกตนเคราะห์ดีมากที่ต่อต้านและหลีกหลบมหาภัยพิบัติทานองเดียวกันได้อย่างวุดวิดอันเนื่องมาจากมีจานวนคนอาวุธและชั้นเชิงในการต่อสู้ได้เหนือนกว่า ถ้าว่ามันก็ยังไม่มีสิ่งใดจะมาประกันได้ว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีคณะหรือคนใดคนหนึ่งจะไม่ตกอยู่ในฐานะเดียวกับนักสำรวจชุดนั้นหรือไม่คืนที่ข้างข่าวใหญ่ตัวนั้นเข้าเล่นงานคณะของเครเมอร์เหตุการณ์ตรงกันข้ามกับคืนที่มันเล่นงานพวกเราทุกอย่าง มีพวกเขาคนหนึ่งนอนเจ็บช่วยตัวเองไม่ได้อยู่คนหนึ่งและอันเนื่องจากมีอีกสามคนผาดิเอาชีวิตรอดอต่างตัวใครตัวมันคนเจ็บคืออเล็กเซสจึงถูกทิ้งไว้ให้เป็นเหยื่อของมันสำหรับคืนที่มันเข้าเล่นงานเรานั้นชา ย, ยันก็นอนขึ้นเป็นขึ้นตายด้วยพิษของตะขาบโชคดีที่พวกเราไม่ได้แตกหนีทอดทิ้งชา ย, ยันไปประกอบกับปืนหลายกระบอกที่ช่วยซันโวมันจึงทําอะไรพวกเราไม่ได้เลยและผลที่สุดก็ล้มเหลวต้องผาดิไปเองเช็ดถาพึ่มพำออกมา พวกเรานึกภาพเหตุการณ์ตอนนั้นออกไหมไอ้ข้งข่าวอุบาท ต, ตัวนั้นพยายามทุกวิถีทางในอันที่จะสังหารชายยันแม้ไม่ได้ทางตรงเพราะเราป้องกันไว้อย่างแข็งแรงก็จริงมันก็ทําโดยทางอ้อมคือจ้องไปโฉบเอาซากตะขาบตัวนั้นไปเสียเนื้อตะขาบดงจะต้องเป็นตัวยาส่วนหนึ่งทีใ่ใช้พอเพื่อช่วยชีวิตชายยันถ้ามันเอาไปได้ชายยันก็ต้องตายแน่แต่เราก็สกัดกั้นความพยายามมุ่งร้ายของมันไว้ได้ทุกอย่างคือไม่ปล่อยให้มันทําอะไรพวกเราได้เท่าๆกับที่ไม่สามารถจะโฉบเอาซากตะขาบตัวนั้นไปได้ นี่แสดงให้เห็นชัดเหลือเกินว่ามันมีแผนการร้ายกับเราเกินกว่าที่จะเป็นสัญชาตญาณสัตว์ในด้านสแสวงหาอาหารธรรมดามันเป็นเจตนาอันลึกลับแบบพูดผีปีศาจมุ่งที่จะทําลายล้างเราโดยตรงดารินเริ่มลําดับภาพและแสะดงข้อคิดของหล่อนออกมาอย่างพร่านใจสมองของทุกคนหนักไปด้วยความคิดเมื่อหวนนึกถึงเหตุการณ์ที่ไปจนมาโดยนํามาเปรียบเทียบกับพฤติการที่เคยเกิดขึ้นก่อนแล้วกับนักสํารวจในอดีต ความจริงฉันควรจะตายอย่างทิงอองหรืออเล็กซิสไปแล้วอดีตนายทหารเืนมใหญ่ยิ้มกล้านเกรียมกล่าวทำลายความเงียบขึ้นด้วยเสียงอันต่ำเบาสถานการณ์ของพวกเราไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าที่เครเมอร์กับพวกของเขาได้พบมาแล้วอาจหันกลับลงไปแย่ yeah! ซะ ก, กว่าอีก แต่ที่รอดมาได้ก็เพราะพวกเราทุกคนที่เป็นทีมเต็มไปด้วยสมรรถภาพและชาวปัญญาทุกคนมีฝีมือและชาญฉลาดกันไปคนละด้านซึ่งเมื่อนำมารวมกันแล้วก็จะสามารถแก้ไขอุปสรรคใดๆให้ลุล่วงไปได้ตลอดมาฉันกล้าพูดได้ว่าคณะของเคลเมอร์ไม่เพียบพร้อมเหมือนคณะของพวกเราเขาจึงพบกับหายนะวิบัติเพียงแค่ระยะเดินต้นๆพร้อมกับกล่าว ไถ ย, ยันกว่าสายตาด้วยแววตาเชื่อมั่นอบอุ่นไปยังกลุ่มพานหัวเห็ุทุกคนแล้วมาจับนิ่งอยู่ที่เจ้าแห่งพงไพรระพินไัยวัน เชตหาดาวินและมาเรียก็ย่อมจะมีความรู้สึกดุดเดียวกันแน่ละกลุ่มผู้ร่วมคณะทุกคนที่มาด้วยกันไม่มีใครไร้ประโยชน์เลยสักคนเดียวแต่ละคนมีความสัมทัสและช่ำชองในวิชาการต่างๆครบองแม้กระทั่งสงั่ปลาซึ่งใครๆเห็นแต่แรก ว, ว่าช่วยที่สุดในบรรดาพานพื้นเมืองด้วยกันเองทั้งหลายแต่เมื่อถึงคราวจาเป็นสุดยอดมันก็ได้แสดงความรอบรู้ปัญญาเข้าช่วยเหลือในภาวะอับจนของทุกคนให้รุ่งร่วงเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว คันแล้วสเก็ตหนึ่งของความคิดคณะนายจ้างทุกคนก็หวและลึกวูกถึงแง่ทา ย, ยเจ้าคุณภาในจรผู้ลึกลับคนนั้นเทียรผจนภัยทีมนี้ย่อมจะเกรงกลยอย่างยิ่งที่สุดและสามารถที่จะตะลุยเข้าไปได้ในทุกป่าใหญ่ภัยกันดาลถ้าแม่มา้ว่าคนคนนั้นอยู่ร่วมด้วย ระหว่างจอมพานและพินกับเจ้าคนใช้อาสาสมัครนามว่าแง่ทายยังไม่อาจจะเป็นที่พิสูจน์ได้ชัดว่าใครจะเหนือใครในอาณาจักรไพรแต่ทุกคนรู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่รับพินอับจนต่อปัญญาเมื่อนั้นแง่ทรายจะเข้าแก้ไขเท่าเท่ากับที่ยามใดแง่ทายตกอยู่ในห้วงอันตรายเมื่อนั้นก็ไม่มีใครเข้าคลี่คลายช่วยเหลือได้นอกจากรับพินฝีมือและชั้นเชิงพานคู่ขี้กันมาตลอดกินกันไม่ลง มาดว่าคณะประจญภัยชุดนี้เปรียบได้ด้วยลำํำเรือซึ่งมีนายพรานเป็นกัปตันโดยตําแหน่งแง่ายก็คือต้นหุนโดยปริยายทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทุกคนย่อมจะเห็นว่ารัพินหันเข้าตึกสาหาเรือแง่รายเพื่อหย่างเสียงอยู่เสมอแทนที่จะหารือกับคนของเขาเองนั่นก็ย่อมเท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัพินเองก็ยังยอมรับและไม่อาจมองข้ามจอมภผยในจรเสียได้แม้โดยพื้นหน้าทั่วๆไปพรานใจจะมีอาการไม่ถูกชะตากับแง่ายนะ แต่อานิจจาเดี๋ยวนี้ไงสายไม่ได้ร่วมคณะร่วมรับรู้และร่วมะจญเหตุการณ์กับทุกคนซะแล้วตรงกันข้ามกับแปลเปลี่ยนกลายเป็นอะไรไปก็ไม่ทราบเป็นปัญหาอันหนักสมองสำหรับทุกคนแล้ต่างก็ตื่นจากห้วงคิดอันวา้าวุ่นหันมาเอาใจใส่กับบันทึกของนักสำรวจชาวเดนมาร์กต่อไปเมื่อมาเรียเปิดสมุดออกคลาต่อ สองธันวาคมข้าพเจ้าเสงล่าและตูเล่บักบันกันต่อไปภายหลังจากช่วยกันขนหินก้อนใหญ่ๆมาทับสุ้มศพของอเล็กซิสไว้การไม่ให้สัตว์มาขุดคุยร่างเขาขึ้นมาได้เรามุ่งทิศเดิมโดยการนำของตูเล่คราวนี้มาเรียถ่ายทอดข้อความออกมาชนิดคำต่อคำตาม ต, ามต้นฉบับทั้งคณะรอคอยฟังอย่างแทบไม่ยอมหายใจฝนที่ตกเมื่อคืน เหมือนพระเจ้าจะประทานน้ำมาเพียงแค่ให้ประทังชีพเราช่วยระยะหนึ่งเท่านั้นเพราะเมื่อข้ามเขาวงพระจันทร์มาแล้วเราก็พบแต่ความแห้งแล้งกันดาลมันคือมหานรกในมนุษย์โลกมองไปทางใดมีแต่ทุ่งหญ้าแห้งกับเปลวแดดระยะับเราตัดสินใจแยกเข้าทางตะวันออกเฉียงใต้อันเป็นป่าทถาวันลักษณะประหลาด ข้าพเจ้ากำลังจะหมดแรงเสิงล่าประคองปีกไว้ตูเล่เดินนำอย่างทรหโดไปเบื้องหน้าให้ความหวังไว้ว่าในป่าเถาวันเบื้องหน้าเราอาจได้อาหาร13นาฬิกาเศษในป่าเถาวันเสิงล่าตัดสินใจยิงสัตว์เรื้อนคานตัวหนึ่งตัวเป็นหนามสีสันหน้าสะพรึงกลัวขนาดเท่าจระเข้ตัวย่อมย่อมตูเล่บอกว่าเคี้ยวของมันมีพิษเท่ากับงูเห่าแต่เนื้อมันก็พอจะใช้แทนอาหารได้ถ้ารู้จักทำ ตูเล่ถลกหนังตัดเอาเฉพาะบ้องหางของมันก่อไฟย่างกินรสชาติของมันเหมือนปลากระเบนเราส้มสานต่อภายหลังจากพักภายใต้เงาก้อนหินใหญ่ประมาณสองชั่วโมงอีกสามชั่วโมงต่อมาเราพักนอนในป่าเถาวันอันหาขอบเขตไม่ได้นี้อะไรจะเกิดขึ้นกับเราในคืนอันหนาวเย็นและมืดสนิทนี้บ้างพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะมีโอกาสได้เขียนลงในสมุดบันทึกเล่มนี้อีกหรือไม่พระเจ้าเท่านั้นที่จะทรงรู้ได้ 3. าธันวา เราผ่านพ้นราตรีมาได้เหมือนพระเจ้ายังประสงค์ที่จะยืดชีวิตให้ตลอดทั้งคืนอันหลับหลับตื่นตื่นเราได้ยินเสียงเลื้อยของตะขาบใหญ่ผ่านเข้ามาใกล้ๆปีนนับร้อยๆ้อยคู่ของมันก่อให้เกิดเป็นเสียงพายุ แต่เราก็รู้เสียแล้วว่าเป็นมันก่อไฟให้ลุกโชนจับปืนนั่งเฝ้าระวังเราไม่มีทางจะขยับขยายหนีมันได้แล้วในความมืดเช่นนี้ตัดสินใจว่าเราจะสู้จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตหากมันเลื้อยตรงเข้ามาแต่สวรรค์ทรงโปรดมันเลื้อยอ้อมขึ้นทางดงด้านเหนือภายหลังจากเฉียดใกล้ที่พักของเราห่างไม่เกินหนึ่งรยหลาแล้วก็หายไปในความเงียบคืนนี้นอกจากตะขาบใหญ่ตัวนั้นที่เข้ามาปลุกให้เราสะดุ้งตื่นแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีก เจ้าฝูงวิญงปีศาจก็ไม่ได้แวะเวียนเข้ามาให้เห็นอย่างกื่นก่อนๆขังข่าวสูบเลือดที่ฆ่าอเล็กซิสก็ไม่ปรากฏวีแว่แววชะรอยมันจะค้นหา ก, กลิ่นของเราไม่พบมิฉะนั้นก็อาจจะไปพบเหยื่อที่อื่นซะก่อนเรามองไม่เห็นทางว่าจะพ้นปาฏเทาวันอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เมื่อไหร่น้ำทุกแหล่งที่พบเป็นน้ำพิษตูเล่ดูสีสันของมันได้ออกและเตือนเราไว้ ก่อนเที่ยงเล็กน้อยระหว่างโซเซกันไปในป่าหินชะตากรรมอันสยองและข้าพเจ้าแทบจะไม่เชื่อสายตา ก, ก็บังเกิดขึ้นกับเสิงล่าเขาเดินนำข้าพเจ้าไปประมาณ1 5บก้าวกำลังจะพ้นเถาวันซุ้มใหญ่ที่ป่าจากใบแต่ทึบด้วยกิ่งก้าน อะไรชนิดหนึ่งก็โจรจากหลังซุง้มเถาวันเข้าใส่เขาเหมือนแมวตกคุบหนูข้าพเจ้ากับตูเล่ผู้เดินรังท้ายไม่ได้ยินเสียงร้องของเขาแม้คำเดียวได้ยินแต่เสียงคำรามเหมือนฟ้าร้องและป่าเบื้องบนก็มืดมิดไปหมดประดุดป้ายไวด้วด้วยสีดาพระเจ้าเป็นพยานเถิด เจ้าสัตว์ที่คาบเสียงล่าห้อยร่องแร่งอยู่ในปากกำลังเพ่นนี้ไปต่อหน้านั้นข้าพเจ้าอยากจะเข้าใจว่ามันเป็นม้าแต่ถ้าว่ามันกลายเป็นเสือที่สูงใหญ่พ่วงพีปานกันสีของมันดําเหมือนถ่านไฟเสือดําขนาดนยักษ์มันตะคุบและคาบเสียงล่าปิดปากกระโจนหนีไปต่อหน้าต่อตามเ<า>รหยุดอ่านลืมตาโพงกายสั่นเทาพูดมาด้วยเสียงกระซิบสีิบกว่าปีมาแล้วไอ้เสือตัวนั้น ไอ้ข้างคาวตัวนั้นและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพบรวนเป็นตัวเดิมหมดทุกอย่าง40ปีที่ป่านี้มีเสือดําใหญ่ข้างคาวตะขาบผีกองกอยคอยป้วนเพี้ยนรางควาชีวิตที่จะผ่านพัดเข้ามามันคืออะไรและเป็นไปได้อย่างไรมันจะต้องเป็นสิ่งอาถรรพ์ผิดวิกลอะไรแน่ฉันฉันคิดว่าฉันไม่สามารถจะอ่านบันทึกอันสยดสยองนี้ต่อไปได้ แบมสาวปิดสมุดหลับตาลงชายยันรินบรันดีใส่ฝากระติกส่งไปให้พร้อมกับบอกมาด้วยเสียงบังคับกึ่งปลุกปลอบว่าต้องได้เมดื่มซะแล้วแปลต่อไปเราทุกคนอยากรู้ในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วจนแทบจะเข้นคอให้คุณรีบแปลมันออกมาโดยเร็วที่สุดดารินกับเชษ ฐ, ฐาช่วยเร่งร้าปลอบยนมาอีนักนิรุติศาสสาวรับบรันดีมากรอกใส่ปากจนหมดนั่งเหมือนจะบังคับจิตใจอยู่ครู่หนึ่งก็อ่านต่อ กวข้าพเจ้ากับตูเลจะเตือนจากตะลึงเราก็เห็นบ้านท้ายของมันกําลังจะรับหายไปในพงเบื้องหน้าเราช่วยกันระดมยิงออกไปเท่าที่เราจะสามารถทําได้เร็วที่สุดมันรับหายไปแล้วเราสองคนตามมันอย่างบ้าคลั่งจนกระทั่งค่ําพบแต่รอยเลือดของเส็งล่าซึ่งค่อยๆจางหายไปเป็นลําดับในที่สุดรอบตัวเราก็มีเถาวันอันว่างเปล่าเสียงที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพวกเราราวกับความฝันสีทันวา เราไม่ละความพยายามที่จะติดตามเสือดำยักษ์ตัวนั้นไม่ต้องการที่จะมีความหวังด้านช่วยเสียงล่าให้รอดเพราะเรารู้แน่ว่าเขาตายในทันทีที่มันโจรเข้าขยํำแต่เราอยากจะพบเห็นมันอีกสักครั้งเพื่อแก้แค้นอันนี้จาแม้แต่กระดูกสักชิ้นของเสงล่าเราก็หาไม่พบตลอดระยะเวลาติดตามอันเครียดแค้นพยาบาทของพวกเรา